ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรยัยเขกาสหลวงพ่อคมอาจารย์ทรงศิลป์แล้วก็เพื่อนสัรมี ท, รนน ท, ม ท, ท, ท, ทุกท่านเจริญในธรรมแม่ทีและญาติธรรมทุกท่านเราก็ได้ปฏิบัติกันมาได้สามสี่วันแล้วนะก็คงจะเข้าใจในการปฏิบัติหลายๆอย่างอยู่แต่เราอาจะสงสัยเรายกมือเช่นนี้จะถูกไหมมี คำสอนเช่นนี้ไหมหรือพระไตรปิฎกมีว่าไว้ไหมอาจจะทําให้เราสงสัยเนี่ยพอเราสงสัยเราก็อาจจะไม่ค่อยศรัทธานะหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติในตรงนี้เนี่ยครนี้ก็มีในสติปัฏฐานสูตรนะเป็นประสูตรที่สําคัญมากเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นเอกายโนโมัคโคเป็นหนทางเอกแห่งความพ้นทุกข์ก็ได้กล่าวไว้นะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตัดแสดงเอาไว้ว่า หนทางนี้นะก็คือมีอยู่สติปฐาน4ี่ก็คือกายานุปัสสนาสติปฐานเวทนานุปัสสนาสติปฐานจิตานุปัสสนาสติปฐานธรรมานุปัสสนาสติปทานเนี่ยก็คือ4อย่างนี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะคราวนี้ในบทกายานุปัสสนาสติปฐานที่เริ่มต้นนี่แหละก็มีการให้รู้ให้เห็นในกายในกาย คณิกายในกายมีอะไรบ้างนะก็เริ่มต้นด้วยอาณาปานสติบับพภะก็คือให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้รู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในกายก็ถือว่าเป็นเรื่องของกายยะบัพภะ ต่อมาก็ให้รู้ในอิบอดใหญ่ทั้งหลายนะอิบทใหญ่ก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ให้รู้รู้ในอิบททั้งหลายเหล่านี้นะเพราะฉมที่เราเดินจงกรมนี่ก็ถือว่าเป็นการที่เรารู้ในอิบอเดินนะหรือเรานั่งก็รู้ในอิบทนั่งต่อมาก็ให้รู้ในอสัปวิชญยะบพะก็คือรู้ในอิบทย่อยทั้งหลายนะอนะนะนะเช่นก้มเงยนะ คู่แขนเหยียดแขนเหลียวซ้ายแลขวา่าดื่มกินอุจจระปัสสวะก็คืออาการอิบอดย่อยๆทั้งหลายแหลในชีพประจำมันของเรานี่แหละก็ให้ตามรู้ไปเพราะนั้นการที่เรายกมือยกมือขึ้นยกมือลงน ะ, ะสร้างจังหวะสืบีจังหวะ น, นี่ก็ถือว่าเป็นการรู้ในการคู่แขนเหยียดแขน เป็นการที่เราตั้งใจทำเพื่อให้เกิดตัวรู้ขึ้นมานะอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเป็นการรู้ในบทย่อยทั้งหลาย น, นี้ก็เป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าเออเราก็ปฏิบัติไม่ผิดนะเป็นการตามรู้ในบทใหญนะ่เช่นเดินจงกรมหรือนั่งหรื อ, อบทย่อยเช่นกู้แขนเหยียดแขนหรือแม้แต่ใครจะรู้การที่เรากระพริบตานะเดียวซ้ายแลขวาก้าวหน้าถอยหลังทั้งหลายก็รู้ได้หมดเลยนะ ม้แต่อุจลปัสวะก็สามารถรู้ได้นะอุจลปัสวะนี้ไม่ได้พูดเองนะก็มีอยู่ในในข้อนี้อยู่นะในกายะปัฏฐะนี้อยูนะ่เพราะนั้นก็เป็นสิ่งเราสามารถตามรู้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะไม่ได้ผิดเนะลยนะหลังจากนั้นก็มีการในบทกายะก็มีต่อไปก็คือให้รู้ในเรื่องอสุภะทั้งหลายเนะี่ยก็คือศพก้าระดับนะ ในสมัยก่อนเนี่ยอินเดียเข ก, ก็ใช้วิธีการเขาก็เอาศพที่คนตายเนี่ยก็ ไ, ไว้ที่ตามในป่าช้านั่นแหละอแล้วก็พิจารณาดูว่าเป็นอย่างไรนะก็มีวันแรกเป็นอย่างไระเช่นวันแรกก็ร่างกายก็เริ่มเขียวเริ่มดําำวันต่อมาอาการเป็นอย่างไรนะออาจจะมีสุนัขมาแทะ ก, กิน <c oughs> ทําให้ลําไส้ต่างๆอไหลออกมานะก็เป็นการพิจารณาไป จนว่าเออร่างกายนี้ก็เส้นเอ็นต่างๆลึกลัดอยู่นะแต่กระดูกก็ยังเกาะกันแน่นนะต่อมาเส้นเอ็นก็เริ่มจะไม่ลึงรัดกระดูกก็กระจายออกมาหลางจายกระจกุกระดูกกระจายมาแล้วก็ค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นเป็นผงไปเนี่ยก็เป็นระดับอ่าเก้าระดับนะอ่าในร่างกายเราเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นะเป็นเก้าอย่างเพื่อให้เกิดความเบื่อน่ายในร่างกายของเรานะให้รู้ความจริงในความไม่เที่ยง ในความเป็นทุกข์และในหน้าตาของร่างกายนี่แหละนะต่อมาก็เป็นบทนเวทนานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐา น, นก็ให้รู้เวทนานในสุขเวทนาคือความยินดีทั้งหลายแหล่นะในทุกขเวทนาคือความไม่พอใจความยินร้ายทั้งหลายแหล่ก็ในอทุกขมสุขเวทนาก็คือรู้เท่าทั น, น, น <ะ S 2> การที่เราไม่สุขไม่ทุกข์หรือเป็นกลางๆเป็นเบขา <นะ S 2> ก็ให้รู้เท่าทันเป็นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะ เพราะตรงนี้เราก็สามารถที่จะรู้ได้นะเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยเรานั่งนานๆเราก็มีความปวดความเมื่อยต่างๆเนี่ยเราก็รู้เวทนาเหล่านี้ไปะเราเนะวทนาเหล่านี้ก็แสดงความไม่เที่ยงเราเห็นนะแสดงความทุกข์แสดงนักตายเราได้เห็นได้ชัดเจนอยู่นะเราจะเห็นสิ่งเวทนาเนี่ได้ชัดเจนจากการปฏิบัติเหล่านี้แหลนะต่อมาก็จะเป็นบทอ่อนะ่านะจิตตาลุปัสนาสติปัฏฐานก็คือสามารถที่จะรู้เท่าทันจิตของเราเองนะ จิตม e e e ีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นก็คือรู้ว่าการของจิตต่างๆนะตั้งแต่ความโกรธความไม่พอใจต่างๆความโลภนะต่างๆก็ในใจเราราคะทั้งหลาย นะแล้วก็ความหลงก็คือความไม่รู้สิ่งต่างๆนะอะไรก็เราก็ไม่รู้นะคําว่าความหลงหมายควา ม, มอย่างไรนะนะความหลงก็คือหมายความว่าเราไม่รู้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นะในทางร่างกายและในทางจิตใจนะเช่ dachte, นตอนนี้เราอาจจะบางคนยกมือก็ไม่รู้ว่ากําลังยกมือะหรือบางคนนั่งก็ไม่รู้กําลังนั่งนะหรือบางคนง่วงนอนก็ไม่รู้กําลังง่วงนอนนะก็คือไม่รู้ในทางกายนะ แล้วก็ไม่รู้ในทางใจนะบางทีเราก็เผลอคิดไปก็ไม่รู้ขณะนี้กาลังหลงคิดไปะขณะนี้กําลังโกรธก็ไม่รู้เรากำลังโกรธขณะนี้กําลังรักก็ไม่รู้กําลังรักนก็คือไม่รู้อาการของกายและใจเป็นความหลงทั้งหมดนะเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถือว่าหลงเยอะมากเลยนะเรจะแก้ความหลงนี้ได้อย่างไระสิ่งตรงข้ามกับหลงก็คือรู้นั่นเองนะรู้นี่เป็นปฏิปักษ์กับความหลงเนี่ยเพราะส่วนมากคนเรานี่จะหลงทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยหลงมากะ หลงมากๆเลยคนเรานะหลงมากไม่ค่อยรู้เนืรู้ตัวหรอกแต่ที่เรามาฝึกก็คือเป็นการฝึกตัวรู้นะพอเรารู้เนี่ยความหลงก็ยัน้อยลงนะแต่เมื่อรู้น้อยเนี่ยหลงก็ยัมากขึ้นนะเพราะเมื่อเรายิ่งรู้มากความหลงก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะอันนี้เขาเรียกเป็นการเขย่าท่านรู้นะที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเรายกมือสร้างยังหวะหรือเดินยมกรมเนี่ยเป็นการเขย่าท่านรู้เพราะเราเป็นการเติมตัวตัวรูวล้ลงไปเขย่าไปเรื่อยๆตัวรู้นะ เติมลงไปตัวรู้ลงไปเยอะๆเนี่ยพอเติมตัวรู้ลงไปเยอะๆมันก็ไปขย่าให้เขาโตขึ้ น, นมาเพราะเรามีธาตุรู้ทุกคนก็เรียกวิญญาณธาตุนะเป็นธาตุรู้เนี่ยมันก็มีในทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่เราไปขย่าให้เขาขึ้นมาเท่านั้นเองก็ก็สามารถที่จะมันรู้ได้มันโดยตัวของเขาเองนะหรือเรียกว่ารู้โดยอัตโนต์อัตโนมัติของเขาเองนะอันนี้ก็เรียกว่าเราเราส่วนใหญ่ก็เราก็หลงกันนะเพราะฉนั้นถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะหลงน้อยนะอันนี้คือประโยชน์ที่เรามาทํากันในตรงนี้นะ ครา้นี้จิตตานุปัสสนาผ่านมาแล้วก็มาสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุสปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการรู้ในธรรมต่างๆนะเช่นอริยสัจสี่นิวรณ์ห้าอายตนะ6กผัวชงเจ็เนี่ยก็คือรู้ธรรมทั้งหลายในสภาวะความที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของธรรมทั้งหลายนะพอเราปฏิบัติก็จะเริ่มเห็นสภาวะที่มันเกิดระดับได้อยู่นะเช่นความคิดเนี่ยมันมีความคิดเกิดขึ้นพระเรารู้นะมันก็ดับไป เรารู้ก <is> <Euch. S 1> <Geme> ็ด <laughs> <ique> ับไปแล้วก็เห็นความคิดที่มันเกิดระดับเองนะเราไม่ต้องไปตั้งใจมันดับนะแค่เรารู้เฉยๆมันก็ดับไปแล้วนะอย่าไปตั้งใจดูถ้าเราตั้งใจแล้วมันก็ไม่ใช่ของจริงและมันเป็นการที่เราทําขึ้นมาเองแล้วเราก็ไม่เห็นรำพาวว่าความจริงที่มันเกิดดับอย่างไรนั้นก็ไม่เกิดสติขึ้นมาแต่สติก็คือความระลึกได้ระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วนะพอเราระลึกได้ปุ๊บความคิดจะดับไปทันทีอันนี้ก็เป็นของจริงะแต่ไม่ต้อไปตั้งใจเพงเอาความคิดจะเกิดขึ้นอะไร พอไปคอยดูปุ๊บความคิดมันก็ไม่เกิดนะพอมันเกิดมันพอมันไม่เกิดปุ๊บเนี่ยก็เป็นจิตมันก็นิ่งก็สงบแล้วก็ไม่เห็นสภาวะกวาดเกิดดับตามความเป็นจริงแล้วก็จะไม่เห็นธรปปนรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะธรรมานี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทําไม่ได้นะตั้งใจที่จะไปเพ่งให้เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้อเพราะการตั้งใจนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเราไปเพ่งเอาซึ่งมันก็ไม่ของจริง เพราะนั้นหลวงเมธีนั่นยังบอกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะเพราะความอยากก็เรียกว่าเป็นตัญหาเป็นความตั้งใจเมื่อมีตัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นของปลอมทั้งหมดเลยนะก็ตัญหาอยู่ในที่ใดชื่อนั้นตรงนั้นก็ชื่อว่าไม่ได้เป็นของจริงนะแต่ความเป็นจริงก็คือเราไม่ต้องมีตัญหานะการบวช น, นี้ไม่ต้องมีตัญหาแต่เราก็เพียงแต่ว่าเราทําด้วยฉันทาก็คือทําด้วยความพอใจไม่ใช่ทําด้วยความอยากแต่ทาด้วยความที่เรียกว่าเรา พอใจในการทำเหล่านั้นนะไม่ต้องการที่จะได้อะไรพอเราไม่อยากได้อะไรเราก็สบายนะก็ทาได้เรื่อยๆทั้งวันบางคนโอ้โมาบวชนะเจ็ดวันตั้งใจมากเลยคราวนี้ต้องทำให้ได้แล้วนะต้องรู้สึกตัวให้ได้ในครั้งนี้แน่นอนนะต้องมีสติต่อนเนื่องกันทั้งวันนะพอตั้งใจปั๊บนี่มันก็หนักนะก็เครียด ก, ก็ตึงนะก็ไปเพ่งไปจ้องเอาครูบาอาจารย์มาทสบายๆนะทาสบายๆนะล้วก็ สบายแล้วมันทำไมคิดทั้งวันนะเราก็สงสัยนะถ้าทาไมเราตั้งใจกันแล้วเนี่ยปฏิบัติวันนี้วันที่สามมาแล้วเนี่ยมันก็ยังคิดอยู่เราคิดว่าเราไม่ได้ผลแล้วนะเราก็เกิดความท้อใจอันนี้แสดงเราเราวางใจผิดนะเพราะจิตของเราจริงๆแล้วมันปกตินะมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะมันก็คือมันหลงคิดได้ทั้งวันอยู่แล้วน่ะวันหนึ่งีนเราคิดเยอะแยะเลยนะประมาณห้าหมื่นครั้งอยู่แล้วนะจิตมันทํางานมันเองแล้วมันคิดมันเอง เราไปบังคับมันก็หยุดคิดไม่ได้นะคราวนี้เราจะทําอย่างไรนะเราไม่ต้องให้เขาจิตสงบหรอกถ้าสงบนั้นจริงๆก็สงบไม่นานเพราะสภาพว่าของจิตก็เขามีหน้าที่คิดอยู่แล้วเพียงแต่เรารู้ไปตามความเป็นจริงเพราะฉนั้นเขาคิดแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็แล้วไปเออคิดก็แล้วไปแต่เราก็รู้ไปก็แล้วกันนะคิดสิบครั้งนะถ้าเรารู้สักเก้าครั้งนี่เราก็เก่งนะเออเราไม่ได้ไปห้ามความคิดหรอกคิดสิบครั้งเรารู้เก้าครั้งเนี่ยแสดงว่าเราหลงแค่ครั้งเดียวแสดงเราเก่งแล้วนะอ่า แต่ในคิดสิบครั้งนี่เรารู้แค่ครั้งเดียวเนี่ยแสดงว่าเราหลงไปเก้าครั้งแล้วนะมันก็สติก็ไม่เติบโตนะพราะยิง่งยิ่งคิดนะเออถ้าเรายิ่งรู้เนี่ยสติยิ่งโตนะหมือนหลวงพ่อเทียนครับท่านก็บอกว่ า, ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะก็คือไม่ต้องไปห้ามความคิดแต่เมื่อคิดเราเรารู้ไหมนะเออถ้าเรารู้เนี่ยยิง่งรู้บ่อยๆเราก็สติเราโตเพราะสติคือความระลึกได้นั่นเองนะเราลึกๆบ่อยๆนั่เป็นการขย่าท่านรู้เราก็จะได้ชํานาญ ในเรื่องจิตนะอ่ามันก็เริ่มในเรื่องกายนี่แหละ <_ d ata> พอเรารู้จักฐานกายหน่เราก็รู้จักจิตได้เองนะถึงบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำอ่าเราฝึกที่กายแต่เราก็ไปเห็นจิตได้นะเพราะกายในเป็นของหยาบใช่ไหมอ่ากายนี้เป็นของหยาบนะบางคนนี่ถ้าจิตละเอียดเราก็ไปดูลมหายใจได้นะไม่ผิดหรอกอ่ลมหายใจก็ทําได้อยู่นะแต่สําหรับคนที่จิตละเอียดพอสมควรแล้วนะเออก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ไม่ดีนะเพราะว่าเป็นอ่ากายานุปัสสนา ประพระในข้อแรกเลยว่าอาณาปานสตินี่แหละใช้ได้อยู่นะนนั้นสําหรับคนที่มีความละเอียดในทางจิตเนี่ยดีมากนะทำได้ก็ดีมากนะแต่สำหรับพวกเราบางคนอาจจะหยาบนะ อ, อจิตเราก็หยาบเราไปรู้ของละเอียดใช่ไหมมันที่มันตึงนะไปฝึกอาณาปานสติบางคนเนี่ยตึงไปหมดเลยหัวนี่มึนตึบเลยโอ้แย่ไปเลยนะนี่แหละแสดงว่าเราไม่ถูกจาริตในตรงนั้นนะเราก็มาฝึกของหยาบหยาบดีกว่าคือร่างกายมันหยาบอยู่แล้วนะร่างกายมันหยาบ แล้วก็มันเคลื่อนไหวเออของย้ำยานันรู้เราเรู้ได้ง่ายรู้ในของหยานมันง่ายกว่าเนะพราะเรารู้เฉยๆมันก็เลยเข้าใจก็มันก็เคลื่อนมันก็หยุดนะเคลื่อนหยุดแล้วก็ดูกายเออเพราะอยู่กับกายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีมีเชือกลามอยู่นะเนะพราะว่าถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเรานั่งนิ่งๆมันก็จิตก็ใจลอยไปบางทีนั่งนิ่งๆคิดไปใจลอยไปเรื่อยๆนะเป็นเรื่องสิบเรื่องยี่สิบเรื่องอยังไม่รู้เลยนะหรือบางคนกลัวจะคิดไปก็นั่งให้จิตสงบไปเลยนะมันก็ไม่ค่อยอยาก ถูกทางเท่าไหร่คราวนี้เมื่อเรามีเครื่องรู้อยู่เนี่ยเป็นเครื่องรู้ของจิตนะเช่นกายเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตนะมันก็เหมือนเป็นเชือกผูกบัวนะถ้าไม่ผูกบัวมันก็เตลิดเปิดเปิงพอผูกมันก็ไปไม่ไกลเราอยู่แถวๆเชือกนั่นแหละใช่ไหมเพราะงั้นการเคลื่อนไหวก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งให้ให้จิตมีเครื่องรู้หรือเป็นวิหารธรรมพอจิตมีเครื่องรู้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันหลุดจากเครื่องรู้ไปมันก็รู้ทันนะเออพอเรามีเครื่องรู้มันเผลอหลงไปปุ๊บไปคิดไปเราก็รู้ทัน เพราะเรามีเป็นหลักนะมีเป็นเครื่องรู้ให้เขาเนี่ยเป็นที่อาศัยอยู่นะพอรู้ได้ปั๊บเราก็รู้ทันรู้ได้ปั๊บก็รู้ทันได้เร็วเี่ยขาเรียกว่าเราสามารถระลึกได้เร็วขึ้นนะพอเราระลึกได้เร็วขึ้นบ่อยนะมันก็จากการที่กายเนี่ยมันก็เราจะสังเกตจิตได้เองสามารถสังเกตจิตได้เออมันคิดไปแล้วนะเอพอเราสังเกตจิตได้ปุ๊บจิตก็จะเริ่มวัยนะมันก็จะเริ่มตื่นตัวมันก็จะเริ่มที่จะชํนานาญในการที่จะ เข้ามาสังเกตในตัวมันได้นะมันกลับมาสังเกตจิตของเขาเองได้จักมันก็มันหลงมันสังเกตไม่ได้พอมันเริ่มที่จะสังเกตจิตมันได้มันจะเริ่มสังเกตความคิดสังเกตอารมณ์นสังเกตความโกรธความรักความชังความอิจฉ้าความหึงหวงความเหงาความเครียดความกลัวะทั้งหลายแหล่นั่นมาก่อนเราไม่เห็นหรอกใช่ไหมกว่าเราจะเห็นเราก็กลายเป็นผู้เป็นแล้วเนี่ยเป็นผู้โกรธไปแล้วนะเพราะเรารู้ไม่ทันนะ แต่เมื่อเราสามารถสังเกตได้เราจะเริ่มเห็นเออก่อนที่เราจะโกรธเป็นยังไงนะมันจะต้องมีความไม่พอใจอมีความออ่มีความอไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นนะอมีมีความขยันในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานะก่อนจะถึงความโกรธเนะี่ยต้องมีความหงุมดหงิดความไม่พอใจขึ้นมาก่อนเราจะสาาังเกตตรงนี้ได้นะพอสังเกตเห็นตรงนี้ปุ๊บเราจนะกลายนะ เ, เป็นผู้ดูไปนะพอเราเป็นผู้ดูเราก็ไม่เป็นผู้โกรธแล้วเนะี่ยเพราะเราสามารถสังเกตมันได้นะ แต่เราสังเกตไม่ได้เราก็เป็นผู้โกรธทันทีเลยนะอยกตัวอย่างเช่นความโกรธเป็นเลขห้าก็แล้วกันก่อนจะถึงเลขหาก็ต้องผ่านเลขหนึ่งสองสามสี่ก่อนนะก่อนจะถึงความโกรธก็ต้องผ่านความงุนงิดความขัดเคืองความไม่พอใจก่อนเมื่อก่อนเราสมมตินนคนมาด่าเราปุ๊บนี่เราโกรธทันทีเลยเราเป็นผู้เป็นอ่ะเป็นผู้โกรธทันทีนะแต่ตอนหลังเราเริ่มสังเกตจิตได้ลแล้ว เ, ออเราจิตเราวัยจิตเราตื่นแล้วเนี่ยใครมาด่าเราปุ๊บเราสังเกตตอนนี้มันกาลังงุนงิดแล้วนะองุดงิดแล้ว กําลังไม่พอใจแล้วเนี่ยพอเราสังเกตอย่างนี้ได้ปุ๊บมันกลายเป็นผู้ดูไปนะเป็นผู้ดูปุ๊บเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้ดูมันก็ไม่เป็นผู้เป็นนะมันก็ไม่เข้าถึงความโกรธสักทีนึ่งก็เออเรากลายเป็นเห็นความงุนงงปุ๊บความงุน ง, ง, งิดก็หายไปนะเพราะมันดับง่ายนะความงุหงงก็มันก็เป็นไม่ขีดก้านเล็กๆนะก็ดับง่ายแต่ถ้าเป็นไฟป่ามันก็ดับยากนะความผโกมันไฟป่าเนยมันดับยากเราจะสังเก ต, เกตพวกนี้ได้ไวเอออารมณ์เล็กๆน้อยก็สังเกตได้ไวขึ้น อันนี้ก็พอเราสังเกตมันก็ไม่เข้าไปในรมนะลมก็อยู่ห่างๆกับเราเออเมื่อก่อนเราเป็นผู้โกรธนะพอเราเริ่มเห็นมันก็เริ่มห่างไปละอออีกหน่อยใครก็มาด่าเราเราก็เฉยเออมันก็นเรื่องธรรมดานะธรรมดาแก็จะมีใจยังไม่หงุดหงิดอยู่เ อ, อ๊ะเราก็สงสัยใจเราทำไมยังหงุดหงิดอยู่นะเออไปสังเกต ด, ดูอีกทีอ้อที่มันหงุดหงิดนะเพราะว่ามันเป็นตัวตนของเรานะเออเราต้องสังเกตมีตัวตนเราอยู่เล็กๆอยู่เออใจเรามีตัวตนอยู่นะ ครั้นี้นะถ้าเราฉลาดเราก็มาสังเกตนิดนึงว่าความเป็นตัวตนมีอยู่ไหมนะพระพุทธเจ้าได้บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับเัญชาไม่ได้นะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะรูปก็คือร่างกายของเราเนี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามหรือเป็นจิตใจของเรานะพระพุทธเจ้าบอกว่ากายและจิตนี้ไม่ใช่ของเรานะนะ คันี้กายเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราแน่นอนนะอ่าถ้าเป็นของเรานี่แสดงว่ามันก็ต้องบังคับบัญชาก็ได้นะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ่าไม่เจ็บไม่ไข้ก็ได้นะให้ผมไม่งอกให้ตาไม่ฟ้าให้หูไม่ตึกให้หนังไม่หย่อนก็ทําได้ทั้งหมดแต่เราทําไม่ได้นะออมันทําไม่ได้หรอกเพราะนั้นร่างกายไม่ใช่ของเราแน่นอนนะไปเผานี่เออมันก็เห็นละมันต้องโดนเผาแน่นอนนะถ้าเป็นของเรานี่เราก็แย่เลยแล้วก็ร้อนแย่ใช่ไหมแสดงว่าไม่ใช่ของเราแน่นอนอันนี้เราเข้าใจละ แต่ส่วนจิตใจในส่วนมากนะเราก็ยังเข้าใจเป็นเราอยู่พอเราโกรธแล้วเราโกรธนะเร า, นะเาหงุดหงิดก็บอกเราหงุดหงิดนะอแม้แต่เราคิดก็กลายเป็นว่าเราคิดไปเป็นเราทั้งนั้นเลยมันมีตัวเราอยู่นะเพราะเมื่อมีตัวเราอยู่มันจะออกจากอารมณ์จริงๆได้ไม่ได้มันก็ยังติดอยู่เออมีตัวเราอยู่ตลอดเพราะถ้าบางทีเรามีสติก็จริงนะ เ, ออเรามีสติดีรู้รู้ทันความโกรธรู้ทันความหงุดหงิดรู้ทันทั้งหลายแหละ แต่มันก็ยังออกไม่ได้จริงๆเออมันบางทีมันความโกรธมันหมดไปแต่ลมก็ยังค้างอยู่ภายในะ เ, ออเขาก็มาด่าเราอยู่นะเขามาว่าเรามันจะมีตัวเราอยู่ตลอดแล้วก็มีความหงุดหงิดนะมีการย้ำคิดอยู่ตรงนั้นนะบางทีก็ด่าไปแล้วนะเออสามวันเราก็ยังนึกอยู่เขามาด่าเราบางทีไม่สามวัน5ปีกันนึกอยู่เขามาด่าเราใช่ไหมมีมีตัวเราอยู่คราวนี้เมื่อพระเจ้าบอกแล้วว่าเอร่างกายและจิตใจไม่ใช่ของเราเราก็สา ม, มารถสรุปได้ไหมว่าจิตใจไม่ใช่ของเราจริง ๆ, ๆนะ ก็เมื่อเขาด่าเราก็คือเขาด่าจิตใจของเรานั่นเองนะไม่ได้ด่าเราหรอกแล้วจริงๆเมื่อมันโกรธก็คือจิตใจเขาโกรธไม่ใช่เราโกรธนะเราสรุปได้ไหมใช่ไหมว่าความโกรธเกิดขึ้นนะมันเกิดที่จิตนะเมื่อจิตไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่เราโกรธนะแต่เป็นจิตเขาโกรธนะเพราะฉะนั้นความบกพร่องทั้งหลายก็เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยถ้าเราสรุปได้แบบ น, นี้มันก็จะคลายอาจจะความยึดติดต่างๆได้เร็ว ความที่เรายึดติดว่าเป็นเรามันก็หายไปด้วยนะไม่มีเราโกรธเรารักเราชังมันก็เลยหายไปหมดเลยเพราะนั้สติก็คือความระลึกได้บวกกับปัญญาปัญญาคือความที่เรารู้นั่นแหละว่าขันหานี้ไม่ของเราจริงๆกายและจิตไม่ของเราจริงๆมันก็จะออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะแต่ถ้าเราสรุปตรงนี้ไม่ได้ไม่แต่เราตายหรือไปแบบไปถ้า20ปีนะเราก็เออทาไมเร า, 好好เรายัา ง, โยางโกรธอยู่เรารักเราชังอยู่เห็นไหมมันออกอจากตรงนี้ไม่ได้อย่างตัวเราแม้แต่เราจะตายเออทาไมเรา เราจะมีความโกรธมีความขัดเคืองอยู่มันก็มันยังออกจาก้ความยึดติดในขันห้านี้ไม่ได้นั่นเองนะเราก็ต้องสรุปให้ได้ว่าเออขันห้านี่จริงๆก็คือกายและจิตไม่ใช่งเราจริงๆอาจจะได้ออกตรงนี้ได้นะเออพราะนัเมื่อใครเขาดา่าเราก็ช่างเขาไปเถิดไม่าไปสนใจอะไรเขาไม่รู้ดา่าใครก็ไม่รู้นะไม่ใช่ด่าเราแน่นอนนะนีออ่แหละเราจะสบายนะเนี่ยมันก็คือสติและปัญญาโดยจะออกจากความทุกข์จริงๆนะอันนี้สงสัยเอ้มันเป็นไปได้ยังไงนะตรงนี้เป็นไปได้ยังไงะ ทำไมเราเราต้องออกตรงนี้ให้ได้นะเพราะว่ายังยังเมื่อก่อนนี้บางทีถ้าเรามีแขกมาเนี่ยดีหน้าบ้านเราแล้วก็บอกว่าเออเชื้อเชิญเขาเข้ามาในบ้านนมากินอ่ากินในบ้านเรามาดื่มในบ้านเรานอนในบ้านเราก็ได้นะเพราะเราเชิญเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยอ่าเขาก็จากความเป็นแขกก็กลายเป็นคนคุ้นเคยนะเพอาก็มาทีหลังเขาก็ถือวิสาสะเข้ามาได้เลยนะเราไม่ได้เชิญเขาก็เข้ามา มานอนในบ้านเรามากินในบ้านเรานะเผลอๆแอบปักบุญแจเปิดไ ข, ข่ก็ประตูเข้ามานอนในบ้านเราเองเลยนะอ่าก็เหมือนกับความโกรธนะเมื่อก่อนเราเข้าใจเออความโกรธเราโกรธนะความโกรธจริงๆก็คือแขกนั่นเองแต่เราบอกว่าเราโกรธปุ๊บมันก็เข้ามาในใจเราเลยนะอยู่ในใจของเราเนี่แหละไม่ได้ไปไหนอ่ามาอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็อยู่นานด้วยนะบางทีให้ไปก็ไม่ยอมไปหรอกเพราะก็ถือว่าเราโกรธเราคือบ้านเขาแล้วนะอะแต่ถ้าตอนหลังถ้าแขกมานี่เราไม่ต้องไปเชิญก็มาในบ้านเราหลอกนะ ไม่ต้องเชิญเขามากินน้ํากินข้าวในบ้านเราไม่ต้องเข้ามานอนแล้วก็ไม่ต้องไล่เขาด้วยแต่ให้รู้ว่าเขาเป็นแค่แขกเท่านั้นเองนะรู้เป็นแค่แขกเนี่ยอีกหน่อยเขาก็ไม่กล้าในเข้ามาในบ้านเราแล้วอีกหน่อยเขาก็ไปเองนะเพราะนั้นคือเมืนของความโกรดนั่นแ่ะจริงๆความโกรก็คือแขกนั่นเองนะเป็นแขกไม่ใช่คนคุ้นเคยอะไรกับเราเลยนะเมื่อเรารู้เขาเป็นแขกที่หลังเข้ามาแล้วเขาก็ไม่อยากจะอยู่กับเรานานเขาก็ออกไปเองนะเพราะตรงนี้เราก็ต้องสรุปตรงนี้ได้ว่า อารมณ์ทั้งหลายนะเป็นเรื่องของจิตเป็นอาการของจิตไม่ใช่ของเรานะเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นแขกไปแล้วก็ค่อยๆที่จะจากเราไปอย่างรวดเร็วแล้วทีหลังเากาจะไม่เข้ามาอีกนะแล้วใจเราไม่เป็นที่อาศัยของเขาแล้วนะวันกินเลยตัณหาจะอาศัยในใจเราตรงนี้ไม่ได้เพราะด้วยอาศัยสติและปัญญานั่นเองนะเกีย่ยวกับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราก็ต้องอรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้นะแล้วสิ่งสําคัญก็คือเราไม่ไปเพลินในรมณต่างๆนะ การเพลินในลมต่างๆก็หมายความว่าเราเข้าไปเพลินในรูปลดกลิ่นเสียงนะนะก็คือมีอายายนตร์ภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ไปเพลิดเพลินในรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสและความนึกคิดซึ่งเป็นอวัตนะภายนอกนผะู้ได้ไปเพลินในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามันจะมีความทุกข์และออกจากความทุกข์ไม่ได้นะดังที่มีพระสู่รบอกว่าดูก่อนพิะสูตทั้งหลาย ผู้ใดที่เพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโภทพภะคือการกระทบในอาภายนอกทั้งหมดก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้เป็นโภทะภะธรรมารมก็คือความนึกคิดหรืออรมทั้งหลายก็คือธรรมารมณ์ผู้ใดที่เพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผภพัพภะธรรมารม ผู้ น, นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์เรากล ah ่าวว่าผู้ที่เพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์จะพ้นจากความทุกข์ไม่ได้นะเราทรงกล่าวต่อไปว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงผดผพาะธรมมลมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดที่ไม่เพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ได้่ว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวชัดเจนนะว่าอย่าไปเพลินในอารมณ์ต่างๆน อารมณ์ต่างๆก็คืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนะตาแล้วก็ทบทูลแล้วก็มีความยินดีมีความยินร้ายหูได้ยินเสียงก็มีความยินดียินร้ายไนหะเช่นมีคนเข้ามาด่าเราเราก็ไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความงุดหงิดขึ้นมานานี่เราชื่อเราเพลในอารมณ์หรือคนเข้ามาชมเราเราก็มีความยินดีมีความพอใจขึ้นมานี่ชื่อว่าเพลในอารมณ์นะ คนจะต้องละความเพลินให้เร็วมันก็กระพริบตาฉังนั้นนะเมื่อเกิดอารมณ์ปั๊บเรารู้ทันปุ๊บตัดขาดทันทีเลยนะไม่เป็นที่จะไปยุ่งเกี่ยวไปเพลินในสิ่งเหล่านั้นอกีกการตัดขาดก็คือเราสามารถที่จะไม่สนใจไม่ให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นได้ไหมในอายนะทั้งหกนะเกิดมาปุ๊บเราก็อย่าไปให้ค่าอย่าไปสนใจนะอย่าไปสนใจในสิ่งเหล่านั้นนะพอเราสนใจก็คือเราไปให้ค่าเมื่อให้ค่าเราก็จะเพลินในอารมณ์เหล่านั้นะ เช่นเช่นมีคนเข้ามาด่าเรานะพอเราไปสนใจปับาาป๊บเนี่ยเออเขาด่าเราปั๊บนี่เราจะมีความโกรธทันทีเลยนะมันก็ต่อนเนื่องกันมาความโกรธเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมัน ก, ก็กลายเป็นความพยาบาทต่างๆตามมากลายเป็นความมาคาดแค้นตามมานี่เขาเรียกว่าปีเพอร์ในะลมต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเราเขาดา่าปุ๊บเออเราก็ไม่สนใจจริงๆเขาก็ด่าเรานะเราก็รู้เขาด่าเราแต่เราไม่สนใจเราก็เออมันก็เป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วผ่านไป คำด่าก็ไม่เป็นของเป็นวัตถุที่จะมาทําร้ายเราไม่ได้เป็นของแข็งไม่ได้เป็นมีดไม่ได้เป็นกระสุนเป็นก้อนหินที่จะมาทําร้ายเราแต่อย่างใดนะแต่เป็นเพียงแค่ว่าเสียงที่มันเข้ามากระทบหูเราเท่านั้นเองนะอถ้าเราวางใจได้แบบนี้เราก็เฉยเฉยเราก็ไม่โกรธแม้ไร่ใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งเราไม่เพลินอารมณ์ทั้งหลายแหละอยู่แล้วนะเอถ้าเราวางใจได้เงี้ก็สบายมากเลยนะจิตเรานี่มันจะไม่มีอารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งต่อ ก็คือไม่เพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยความคิดก็จะไปเพลินในความคิดเมื่อมอีความคิดปุ๊บบางคนก็สนุกนะเพลินคิดไปทั้งวันเลยเอออยู่บ้านตอนนี้กําลังทำอะไรอยู่นะเออน้องเรากําลังทำอะไรอยู่พี่เราลังทำอะไรอยู่นะลูกเรากำลังทํำอะไรเพลินไปในความคิดอันนี้เขาเรียกว่าเราเพลินเป็นอารมณ์แล้วนะเพราะงั้นการคิดก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ดีนะเพลินไปในความคิดก็ไม่ดีเขาเรียกว่าหลงคิดไปเมืไ UM? ไม่อรู้ว่าหลงคิดก็ตัดกลับมานะอยู่กับ ความเป็นปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้คืออะไรปัจจุบันกําลังทําอะไรอยู่ก็รู้ในสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละใช่ไหมกำลังยกมือก็รู้ว่ายกมือเออเมื่อกี้เราหลงไปตั้งนานแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโทษตัวเองเราหลงไปเราแย่ไม่เป็นไรความหลงก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาอยู่แล้วนะใครๆก็หลงได้ อ, อ่าเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้หน่อยจะได้ไม่หลงนะเพราะนั้นมันไปบาดสามวันโู้โหทำไมเราเรายังหลงอยู่นี่เป็นเรื่องธรรมดานะเออเจ็ดปกีก็ยังหลงกันได้เลยนะไม่ไปบาดสาวันเราจะไม่หลง มันเป็นสิ่งธรรมดาเมื่อเราหลงไปแล้วเรารู้ทันไหมกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไหมตรงนี้สําคัญกว่านะกลับมาเป็นปกติได้ไหมเนี่ยตรงนี้มันสําคัญกว่านะเราโกรธก็ไม่ใช่เราผิดนะอย่างที่ว่าแล้วอะความโกรธไม่ใช่ของเราเราโกรธนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะว่าเราโกรธเป็นเรื่องธรรมดานะอยู่ที่ว่าใจเราเป็นปกติได้เร็วไหมอ่ากลับมาเป็นปกติได้เร็วไหมตรงนี้มันสําคัญกว่านะเดี๋ยวไปโทษตัวเองแล้วเราทําไมยังมีความโกรธอยู่นะอ่แต่จริงๆแล้วนีมีคนทําหลวงปู่ดูแบบว่า อมีใครละความโกรธได้เด็ดขาดไหมหลวงปู่ว่าไม่มีใครละได้เด็ดขาดเรามีแต่รู้ทันแล้วมันก็ดับไปอหลวงปู่ยังมีความโกรธอยู่ไหมหลวงปู่แต่ว่ามีแต่ไม่เอานะอันนี้เป็นประเด็ดนที่สําคัญเลยเออทําไมพระระดับนี้ซึ่งจริงๆแล้วนก็มีผู้ที่เข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ท่านทำไม่บอกว่ามีแต่ไม่เอานะตอดนั้นก็จริงๆแมันก็มีอยู่แต่ว่าอยู่ที่เราเอาหรือไม่เอานะคําว่าเอาหรือไม่เอาก็คือเราไปให้ค่ากับสิ่งเรานั้นหรือเปล่านะเราสรุปได้ไหมว่า ไม่ใช่เราโกรธนะเป็นเรื่องของจิตโกรธไม่ใช่เราโกรธนะถ้าเราสามารถที่จะสรุปได้เพราะฉะนั้นความโกรธก็มีได้เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่อยู่ที่ว่าเราไปให้ค่ากับเขาไหมอยู่ที่ว่าเราสรุปได้ไหมว่าไม่ใช่เราเป็นเรื่องของจิตโกรธเพราะมันไม่ได้ตรงที่หลวงปู่ดูลูนพูดเลยว่ามีแต่ไม่เอาเพราะเราปฏิบัติไปแล้วบางคนจะอาจจะปฏิบัติมาเป็น10ปี20่สิบปีท่านทไมเรามีความโกรธอยู่เพราะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องผิดของเราเลยแต่เป็นความบกพร่องของจิตเองนะไม่เกี่ยวกับเรา อยู่ที่เราไปให้ค่ากับเขาไหมถ้าเราไปให้ค่าเราก็ทุกข์ถ้าเราไม่ให้ค่าเราก็เฉยๆก็ไม่เป็นไรนะเพราะยิ่งเราไม่ให้ค่าจิตเราจะมีมีความสุขไปเรื่อยๆนะจิตเราจะความทุกข์น้อยลงนะแล้วการไปบัติก็เราก็จะก้าวหน้าแต่เราไปติดในเรื่องเล็กๆน้อยๆไปบัตรมาทําไมต้องนานมันก็จะมีความฟุ้งซ่านอยู่มากมายนะมีความโลคความโกรธความหลงมากมายนั่นแหละเราก็จะไม่ก้าวหน้าเองนะแต่เราสามารถสรุปในตรงนี้ได้ว่าทุกอย่าง นะไม่เกี่ยวไม่ข้องกับเราเลยเป็นเรื่องความบกพร่องจิตทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเรานะอันนี้มันก็เป็นสามารถที่จะเป็นการสรุปด้วยปัญญาพร้อมในสติที่เราได้ฝึกมาแล้วนี่แหละมันจะเต็มอุดมสมบูรณ์ด้วยสติและปัญญามาลาเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะแล้วผู้ใดถ้าเข้าใจในตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเออหนทางมันไม่ได้ยาวอย่างที่เรานึบหรอกนะมันก็สั้นๆเนี่ยแค่เรารู้จักสรุปมันเท่านั้นเองนะเราก็จะออกจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือกายและใจ หรือขันห้าว่าเป็นของเราได้นะเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ตรงกับที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้เลยในออนัตตลกนัสูตรนะ่ะบอกว่าถามภิกษุว่าอ่าภิกษุทั้งหลาย <c oughs> รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าในเมื่ออ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่จะตามคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นมาเจ้าค่แล้วก็ประสมแยากแยะไปแต่ละตัวให้เห็นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารมิญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาในแต่ละตัวแต่ละตัวอย่างละเอียดอจนพิสูจนทั้งหลายเข้าใจในธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระรหัตถ์ทั้งหมดนะในหละก็คือข้อสรุปในตรงนี้ว่าปัญญามันเกิดจากการที่เราเข้าใจ ในพระไตรลักษณ์อย่างชัดเจนแล้วเราก็คลายอยู่ความยึดติดในตัวตนนี้เป็นการถ่ายถอนอุปทานทั้งหลายแหล่จริงๆการปฏนบัติธรรมนี้ก็เป็นการแค่ถอนถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนของเราเท่านั้นเองนะถ้าเราสามารถถอนถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถบรรลุธรรมได้ดทุกๆคนนะก็ขอทุกท่านบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ทุกท่านเทิด